สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องนารีผลเรื่องราวอิงชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมจากบทประพันธ์ของสุทธสาอ่อนค้อมบรรยายโดยจันงามรัตนพงศ์ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ